บทภาชณีติกะปาจิตตี132วิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงฆ์นั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังมีเท้าเสียบบนกดีชั้นลอยต้องอบัตปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุ네ไม่แน่ใจนั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังมีเท้าเสียบบนกุฎีชั้นลอยต้องอบัตปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคล นั่งหรือนอนบนเตียงหรือบนตังมีเท้าเสียบบนกุฏิชั้นลอยต้องอบัตติจิตตีติกะทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสําคัญว่าเป็นของสงต้องอบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎวิหารส่วนบุคคลภิกษุสําคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอบัติทุกกฎเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นวิหารส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอบัตติ